ในวัดของเราตามรายงานพระสี่สิบสามรูปลงมาฉันสามสิบหกงดฉันเจ็ดนาคหนึ่งในวัดของเราในขณะนี้นะวันนี้เป็นวันที่สามพฤจิกายนพุทธศักราช2559กระถินวัดต่างต่างก็เข้มงวดไปเรื่อยๆเดือนสิบสองเพน เป็นวันสิ้นเขตกรถินจากนี้ไปก็คงจะไม่นานก็คงหมดเขตกระถินหมดเขตก็ออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนนะออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนเป็นหมดเขตของกรถินจากนั้นก็เป็นภาพป่าหนละจะจัดใหญ่ขนาดไหนก็เป็นภาพป่าไม่ไม่ใช่กรถินกรถิญนี่หมดพระบัญญัติของพระพุท ธ, ธเจ้าแต่ถึงยังไงพระเนรลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกๆ ก, ท, กท่าน หลวงพ่อในานามที่ว่าเป็นหัวหน้าของวัดหลวงพ่อเองก็มีแต่ย้ำเตือนกล่าวย้ำอยู่เสมอไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกับชาวนาชาวนาพ่อแม่ลูกอยู่ในธรรมบทวันไหนท่านก็เตือนกันกล่าวย้ำกันว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้พร้อมให้ประกอบคุณงามความดีให้คิดดีทดําดีพูดดี พอต่อมากคนหนึ่งตายตายก็ไม่มีผู้ใดสลดสังเวชเพราะว่าเราได้คิดไว้แล้วอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะต้องแยกย้ายกันเพราะต่างคนก็ต่างคิดในใจต่างคนก็ต้องต่างประกอบคุณงามความดีไว้ในใจเราคิดไว้แล้วว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า ว่าทังการกล่าวย้ำเตือนกันถึงภัยที่จะมาถึงดีกว่าที่พวกเราไม่คิดขนาดพวกเราย้ำเตือนกันขนาดนั้นพอถึงภัยวิบัติมาถึงจริงๆ <c oughs> บางทีก็ใจสั่นขาสั่นแขนสั่นทําอะไรไม่ถูกอีกเหมือนกันทั้งที่เราคิดไว้แล้วถ้าคนไม่เคยคิดจะเลยไม่เคยคิด ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเลยในเมื่อนั้นมาถึงพวกเราจับอะไรไม่ถูกจับต้นตับจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าไม่คาดคิดนั่นละขอให้พวกเราทุกท่านที่กล่าวทางนี้ทางนั้นไม่ได้กล่าวย้ำวา่าให้พวกเรากลัวขยาดต่อมรณะภยัย แต่พระพุทธเจ้าในลักษของพุทธศาสนากอย่างที่หลวงพ่อเคยย้าเคยกล่าวพระพุทธองค์ว่าให้และลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆูกทันนะอยู่ใ น, นสถานที่ใดสรุปแล้วคืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองจนตลอดเวลานั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุด ถ้าวักขาดจิติก็คือขาดความเพียรขาดเรื่องจิตภาวนาถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองถึงจะอยู่ในอริยบทใดก็คือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอนี่แหละคือการภาวนาสําหรับพวกเราผู้ปฏิบัติแต่โดยมากมันจะขาดนั่นแหละเป็นส่วนมากแต่ถึงอย่าขาดเป็นส่วนมากกว่าเถอะอันนั้นคือเราก็คิดว่าอันนั้นคือไม่ ไม่ใช่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้มีสติอยู่กับตนเองการอยู่กับตนเองมีสติอยู่กับตนเองนั่นแหะเหมือนกับภาวนาอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าว่าพวกเรานั่งขัดสมาธินั่งหลับตาขัดสมาธิกว่าจริงอักบัติกิกริยาคือนั่งสมาธิแต่ใจของเราปุงฟุ้งออกไปข้างนอกไม่อยู่ในไปไมรู้่อยู่ในทวีปไหนประเทศไหนไปม้วดสวมร้านอาหารไหนคุยกันอยู่ที่ไหนอันนั้นคือการส่งออกไปข้างนอกถึงจะนั่งภาวนาอักัติกิริยาคือการนั่งภาวนา แต่ว่าจิตใจของเราสงสัยออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนานั่งคิดนั่งปุ้งนั่งฟุ้งนั่งสัานเพราะนั้นเรื่องภาวนาเนี่ยท่านไม่ได้มีอกักริยานั่งแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบทอันให้พวกเราให้เข้าใจเอาไว้นี่แหละคือภาวนาคือทําจิตให้อยู่กับตัวเองนะจะํายังไง จึงจะทำได้ก็ต้องฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะในเมื่อเราฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยต่อไปมันก็เป็นนิสัยเรียกว่าเป็นที่ตั้งใจและเป็นที่มุ่งมุ่งมั่นที่เราจะจะทำให้จุดนั้นให้ได้ในเมื่อเราทำมีความพยายามมีความตั้งใจอยู่อีกสักวันหนึ่งมันก็สั่นเข้ามาสั่นเข้ามา เหมือนกับทีแรกเอาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันไปหากินห่างไกลต่อไปเราก็พยายามดูแลปกป้องเข้ามาเรื่อยเรื่อยผลในสุดเราก็มัาเอาเชือกมัดผูกติดกับหลักจากนั้ น, น, น, นมันก็นอนมันก็นอนพอมันจะขยับเราก็รู้แหลมันจะขยับ อะไรสติเราทานมันนี้ก็เหมือนกันใจของเราทีแรกมันก็อยู่ห่างไกลไม่รู้ไปทวีปไหนแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามน่วงเอาสติเข้าไปจับไปไล่ต้อนมาให้มันอยู่เข้ามาอยู่ในในกายของเราเ อ, อผลในสุด พอมาอยู่กําหนดลมหายใจเขาออกมันก็อยู่ถึงจะอยู่ก็เถอะมันก็ยังปุ่งออกไปข้างนอกอยู่เป็นบางครั้งอแต่ก็พยายามอผลที่สุดมันก็เ น, น่งสติกับจิตควบคุมกันอยู่อจากนั้นก็เ น, น่งพอเน่งเสร็จแล้วพอมันจะขยับสติแล้วก็ทันมันอีกขณะที่ใจมันจะออกจากเคลื่อนจะขยับออกจากที่นี่แหละ มันเราถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใยจยอยู่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน ะ, ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านอันนี้ก็คือวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินและการเป็นอยู่ทุกเริยาบทในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนะ เราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะหะไรเพราะว่าจิตไม่หิวไม่หวยจิตเป็นสมาธิจิตเน่งจิตฝึกดีพอสมควรแล้วไม่ใช่ฝึกดีแล้วนะจิตฝึกฝึกดีพอสมควรแล้วในเมื่อจิตฝึกดีพอสมควรแล้วเราจะให้มันทำการงานเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องอะไร เห็นได้พิจารณาอสุภปะปฏิกูลพิจารณาโล ก, กธรรมแปดลุกลาบยศเสนเสริญสุขสุดแท้แต่ใจของเรามันไขวควา้าเลยมันติดข้องอยู่จุดไหนเราก็พิจารณาพิจารณาเปรีย บ, ยบ เ, ยบยบเยบทียบโลกเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบรกเทียบโลกวัฏสงสารอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไหมใจ เนี่ยเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะพิจารณาจุดใดมุมใดมันก็โน้มน้าวความาหาสู่ธรรมมันก็เห็นสู่จุดอนติจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะนั้นคือจุดใหญ่เพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทัวตนของเราที่จะเราไปตกแต่งได้เด็กตกแต่งได้อยู่ร่างกายตกแต่งได้ขนาดไหนมันหิวก็เอาอาหารให้ทานกระหายน้ําก็ดื่มน้าให้กิน แต่ถึงจะกินหายดื่มหิวก็หายขนาดไหนก็เถอะนะแต่ความแก่ของร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเนี่ยเราต้องคิดดูจุดนั้นอีกเลี้ยงพอประทังประทังประทังไปผลในสุดมันก็ถึงจุดจบของมันอีกเหมือนกันเพราะนั้นจุดใหญ่นะคือจุดนั้นในจังตรง น, นั้นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นมิใช่ตัวตนของเรา สิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาในมุมมองใดก็ให้เห็นเห็นมุมมองของแนวความคิดของเราเราไปติดไปข้องอยู่ในลาบในเงินในทองในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันเป็นของเราจริงไหมในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจของเราเนื่อะเราพิจารณากานกรองดูจุดนั้นอีก มันก็ไม่น่าจะใช่อันนั้นเพียงปัจจัยอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีความหมายมีความจําเป็นในเมื่อเราตายไปแล้วสมบัติก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นของโลกไปไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครไปรับไปก็คิดว่าเป็นของคนนั้นอีกสักวันหนึ่งคนนั้นก็ทิ้งไปทิ้งไปอีกก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไปอีกอันนี้เป็นสมบัติมันอยู่ในโลกเนี่ยในเมื่อเราจิตใจของเราผ่านความสงบเราจะพิจรารณาในมุมใด เหลืองลาบก็ดีเหลืองยศก็ดีเรื่องสันเสริญก็ดีเ อ, อเมื่อเขาสัสริเสิร์นเมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่นะก็ดีคนยกยอปอปัน้นสรนเสริรอนแต่เมื่อเราตายไปแล้วนะ่ะตัวของเราได้อะไรก็ใช่มีชื่อเสียงอยู่แต่ชื่อเสียงเหงือดแห้งหายไปตามลําดับอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคิดว่าเขาจะสันนเสริญเออทั้งหมดไม่ใช่นะพวกที่ด่าเราก็มีตั้งเมื่อเยอะแยะไป อย่างพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันบรมมครูท่านทำคุณก น, นูประการให้กับโลกมากตอกมากคนที่ต่อต้านพทธศาสนาก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันคนที่ต่อต้านก็คือคนที่นินท่านะะั่นแหละเพราะนั้นลาบยศจนรเสริญสุขทุกโลกธรรมแปดมั่นอยู่ในโลกเนะี่ยเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราก็รับ แต่เราก็รู้ทั้งรับด้วยทั้งรู้ด้วยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของจิรังถาวรมันอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดนี่แหละเพียงโลกกระทำเท่านี้เราก็พิจารณาให้เห็นแต่บางท่านบางคนพิจารณาถึงมรณะพิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงอย่างอื่น ไม่ชัดเจนแต่พอพิจารณาถึงโลกธรรมแปดเนี่ยมันชัดเจนอพรว เ, เราอยู่ในสถานะไหนแต่อย่างพระกรรมฐานไม่มีโลกธรรมแปดยังเป็นพระน้อยพนมเราก็ต้องพิจารณาถึงมรณะนุสติและเลิกถึงความตายอีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมพระหนุ่มพระน้อยตายเด็กนุมกว่าเราตายมีเห็นไหมเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหม อันนี้เราอยู่ในสถานะไหนเมื่อเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบจิตใจของเราสงบนง่คือว่าสงบคำนี้แหละจุดนี้แหละเป็นพื้นฐานถ้าเราจริตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะพิจารณามองอันไหนมันจะเห็นชัดเจนในสถานะหรือในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆในเมื่อมันเห็นชัดเจนมันก็ดิ่งเข้ามาหาตัวพุทโคือใจทั้งหมดมันไม่ใช่อื่นไกลใจไปผูก ไปผูกพันใจไปให้ความสําคัญความรู้สึกนึกคิดของเรานะไปให้ความสําคัญไปอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนของเราแต่ที่แท้แ้สิ่งเหล่านั้นะมันเป็นตามสภาพของมันอยู่ในกฎอนุจังทุกขังอนัตตาจะว่าเงินที่ได้มาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใช่เมื่อเราได้มาอีกสักวันน่มันก็ไปของคนอืน่นก็เป็นสมบัติของคนอื่นไปเมื่อเราจ่ายเข้าไป เราใช้ไปคนอื่นก็ได้ไปเขาว่าเป็นของตัวเองพลที่สุดอยู่กับกระเป๋าตัวเองไม่นะไปจากคนอื่นอีกผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยนี่แหละอันนี้เราสมบัติผัดกันชมผัดกันใช้เนี่ยถ้าหาว่าเราเราภาวนาจิตใจของเราสงบเราจะมองเห็นภายนอกเราก็เห็นภายในใจของเราการเคลื่อนไหวภายในใจของเราตุกติ ก, ต ก, ต ก, ต ก, ตก ความรู้สึกนึกคิดของเราก็เห็นอเนจังของไม่เที่ยงในใจของเราอีกต่างหากเลยนะมันย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้ก็เป็นตัวอเนจังอีกเหมือนกันมันไปมองข้างนอกเพราว่าให้เป็นอเนจังแต่ตัวการข้า ง, างในเนะี่ยเป็นตัวการใหญ่ตัวอเนจังตัวเนี้ยที่มันรู้สึกนึกคิดยนะพอนึกคิดขึ้นมาไปใ น, ในทางที่ดีก็ดีใจได้เปรียดว่าตัวเองได้เปียด คิดถูกทำถูกได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาดีใจมันพองขึ้นมาตัวพองขึ้นมาก็เป็นอันนี้จังกันพอมันเสียไปเสียเล็บเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียชั้นเสียเชิงไปเสียอะไรใจมันตก <c oughs> มันทุกข์นี่แหะมันมันของไม่เที่ยงมันขึ้นมาแล้วมันลงไป มันลงไปแล้วมันขึ้นมามันอยู่มีอยู่อย่างนี้อยู่ในจิตในใจของปุถุชนใจใจของเราที่มันเสื่อมลงไปมันก็ทุกข์เนี่ยพอมันมีมันขึ้นมาได้อย่างใจมันก็ฟูเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันทั้งฟูทั้งแฝบทั้งฟูทั้งแฝบทั้งฟูทั้งแฝบอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติมันอยู่ในกฎในจัง อทุกขังอนัตตายู่ในจิตใจนี่แหละในเมื่อเรามองเห็นจุดนี้คือใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เทียงสิ่งไหนไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหม เ, เพราะมันไหวไกวมันหวันไหวไกวแขวงอยู่ไม่จะสุขได้ยังไงสิ่งไหนเป็นทุกขสิ่งนั้นจะยึดว่าเป็นของเราตลอดไปได้จะไหมใจไม่ได้นี่แหละอันนี้แหละคือมาพิจารณาเปรียบเทียบนอก <c oughs> เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบใน เปรียบเทียบใหเ้เรื่องต่างๆแล้วมันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ผลที่สุดมาปล่อยวางที่ใจเราจะไปปล่อยรจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ขนาดไหนใจของเรานะอามันน่าจะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายทั้งหมดเบื่อทั้งหมดหน่ายทั้งหมดคลายทั้งหมดจิตใจก็หลุดพ้นจากาบ่วงของกิเลสคือราคะโทสะโมหะ โลภโกรธโลงในจิตใจเป็นไทยเป็นไทยเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของเราเองเป็นเราเองเราเยหวะเราก็ใช่จะเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอมตะจิตอมตะธรรมเป็นสิ่งที่เออยู่ในจิตใจของเราเรารู้จะเรียกอะไรก็ถูกทั้งหมดถ้ามันพ้นทุกข์ไปแล้วหมดกิเลสแล้วนะ ถ้ามันยังมีกิเลสครอบคุมอยู่พูดยังไงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของตัวตนของเราอย่างเก่านะ่ะเพราะมันยังมีกิเลสยังเป็นนักโทษอยู่ฮะถ้าเป็นอิสระเป็นอิสระฮะเป็นไทยแล้วนะอไม่จิตมั่นถือหมั่นแล้วนะปล่อยวางแล้วนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้ว น, ะน่ี่แหละความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมันออกไปจากใจทั้งหมดประกอบในพวกเรา พระเนลูกหลานคณะัทธา ญ, ญาิโยนผู้ไฟในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปมองข้ามจุดนี้ถึงจะภาวนาจิตใจพยายามทำจิตใจให้สงบแต่เมื่อสงบแล้วน ะ, ะก็พิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจทั้งหมดหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพ ร, รนตตินะ